เมื่อวานมีคนมาเล่าหลวงพ่อฟังที่เชียงรายมีเด็กสี่ขวบฟังซีดีหลวงพ่อรู้เรื่องสี่ขวบเองแล้วว่าพอเริ่มพูดก็สวด น, นโมได้นโมตัสสะ ส, สวดได้บางคนเลยสงสัยพระมาเกิดใครมาเกิดไม่สำคัญสำคัญปัจจุบัน ฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆเลยยากคนที่ไม่เคยฟังเลยนะฟังฟังยากนะที่ยากเพราะไม่เคยฟังอะไรที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นใหม่ๆมันยากทั้งนั้นแหละแต่จําเป็นต้องเรียนหลวงพ่อไม่ได้สอนตามใจสอนตามใจญาติโยมมันสอนง่ายให้รักษาศีลทําทานทําเยอะๆ ชาติหน้าจะได้รวยฟังแล้วเข้าใจง่ายแต่จริงหรือเปล่าไม่รู้สิ่งที่หลวงพ่อสอนนะฟังยากเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรยาเงี้ยแต่ปฏิบัติแล้วรู้มันพิสูจน์ความจริงได้เนื่องธรรมมาของพระเจ้านะฟังใหม่ๆอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะเข้าใจายากหน่อยแต่ถ้ารู้หลักแล้วก็จะง่าย ฟังหลวงพ่อทีเดียวไม่รู้เรื่องก็ไปฟังซีดีอดทนฟังไปจะบอกอะไรอย่างหนึ่งด้วยซ้ําไปว่าถ้าฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะต่อไปไปอ่านพระไตรปิฎกหรือไปฟังครูบาอาจารย์อื่นนะจะรู้เรื่องด้วยนี่เป็นความประหลาดของธรรมะนะและความรู้ความเข้าใจมันจะไม่เหมือนเดิมหรอกถ้าอ่านพระไตรปิฎกหลวงพ่อนาะขยันอ่านพระไตรปิฎกมาแต่ไหนแต่ไร ชอบอ่านอ่านมาตั้งหลายรอบแนละ้วแต่ความรู้ความเข้าใจหลังจากการภาวนาแล้วเนะี่ยมันเปลี่ยนไปมากเลยหลายเรื่องไปอ่านมานะเหมือนกับไม่เคยได้อ่านมาก่อนเลยเพราะความเข้าใจเราแตกต่างจากเดิมมากความอัศจรรย์ของธรรมะนะไม่เหมือนวิชาทางโลก มิทางโลกมันไม่ค่อยดิ้นน่ะเรียนยังไงก็เป็นอย่างนั้นนหะแต่ธรรมะนี่แปลกนะเรียนแล้วเราเข้าใจตามชั้นตามปู่มของเราเองอย่างเวลาพระพุทธเจ้าเทศน์เนี่ยคนฟังมีหลายระดับตั้งแต่พวกอินทรีย์แก่กล้าปัญญากล้าฟังปุ๊บบรรลุอย่างรวดเร็วด้วยนะบรรลุง่ายบรรลุเร็วจนถึงพวกอินทรีย์อ่อน ฟังยังไงก็ไม่บรรลุแต่ทุกคนที่ฟังผู้เจ้าเทศนะจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเจาะจงสอนเราโดยเฉพาะเลยจะมีความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะโปรโฟเฟสเซอร์ที่ไหนก็ทำไม่ได้อย่างจะสอนฟิสิกส์นะสอนนิวเคลียร์ฟิสิกส์อะไรเงี้ยคนไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้เรื่องคนรู้เรื่องก็คือรู้เรื่องไปเลย มีแต่รู้ก็ไม่รู้ในขณะที่คนฟังพระพุทธเจ้านะมีแต่รู้ก็รู้แต่รู้ไม่เหมือนกันนี่ความอัศจรรย์ละแล้วยิ่งเราฟังไปเรื่อยเราภาวนาไปเรื่อยนะความเข้าใจของเรายิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆอดทนนะอดทนฟังแรกๆยากยากเพราะไม่เคยฟังเหมือนขับรถรถยนต์นะขับรถยนตนะ์รนแรกๆนะรู้สึกเดินง่ายกว่า ขับรถยนคล่องแคล่วนะรู้สึกให้เดินเนี่ยไม่ค่อยอยากเดินแล้แรกๆ ก, ก็ยากหน่อยอดทนเอาฟังแล้วฟังอีกคงไม่โง่ถึงขนาดฟังไม่รู้เรื่องหรอกถ้าขยันฟังนะฟังซ้ำๆไปสมัยก่อนอยู่เมืองการยังไม่มีซีดีแจกมีโยมเอาเทปมาหัดนี่หลวงพ่อเทศมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเทปเป็นตลับอ่ะเขาเรียกอะไรนะคาเสเซตเทป มีผู้หญิงคนหนึ่งมาอัดไปนะแกฟังมีอยู่ม้วนเดียวนะแกฟังเทปยืดพร้อมกับแกปิ้งขึ้นมาฟังใสคเทปยืดเลยชิตตื่นขึ้นมารู้ตัวเลยว่าอ๋อภาวนาเขาทำกันอย่างนี้เองี่จริงไม่มีอะไรง่ายๆเส้นผมบางภูเขาที่เรารู้สึกยากนะเพราะเส้นผมของเราใหญ่หน่อย <laughs> <laughs> เข้าไปอยู่ในตาลึกเกินไปหน่อยีนะ่จริงง่าย มันเป็นเส้นผมบางภูเขานิดเดียวเองเวลาคนฟังทำจากพระพุทธเจ้านะพอเข้าใจปุ๊บเนะีเขาจะอุทานเลยว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข่าเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายของคว่ำอยู่ให้หงายมันจะยากอะไรเลยแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข่าเหมือนเปิดของคว่ำให้ให้หงายนะเหมือนพระองค์นะจุดไฟนะแล้วคนตาดีก็มองเห็น เวลามีแสงไฟแล้วเรามองเห็นยากไหมเห็นจะยากเลยอย่างตอนนี้มันมีแสงสว่างอยู่แล้วเรามองเห็นเมันเรื่องธรรมดาแต่เดิมไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยากในความเป็นจริงแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแจ่มแจ้งนะักแจ่มแจ้งนั่นเพราะว่าอาธิบายได้รัดกลุ่มที่สุดเลยไม่มีอะไรที่เครือบแฝงเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุถึงจะเกิด ถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดพระตถ า, าคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นนี่สอนได้ลึกซึ้งไม่มีใครเหมือนหรอกไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อ เ, ออ เ, อ เ, อเลยไม่ใช่น้อมใจเชื่ อ, อใครเคยได้ยินบทนี้ไหมทมใดเกิดแต่เหตุพระตถ า, าคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถ า, าคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้เนี่ย yes. สี่วักเนี่ยนะทำให้ได้อักคราสาวกมาทั้งคู่เลยทั้งสององค์ศาสนาพุทธได้พระโมคคัลลาสารีบุตรมาด้วยธรรมะคู่นี้เองนะธรรมะสี่สี่วักทาใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้ทําไมฟังแค่นี้ได้โสดา นี่คืออริยสัจส์4นะทำใดเกิดแต่เหตุอะไรที่เกิดแต่เหตุรูปกัะนามเกิดจากเหตุรูปกัะนามนี่แหละตัวทุกข์นิพพานพ้นรูปนามไปไม่มีเหตุให้เกิดงั้นสิ่งที่มีเหตุให้เกิดก็คือรูปกระนามทำใดคำว่าทำใดก็คือรูปนามนั่นเองทำใดเกิดจากเหตุสภาวะธรรมตัวนี้ ก็คือการบอกว่าตัวทุกนั่นเองทำใดเกิดจากเหตุทำที่เกิดจากเหตุคือตัวทุกคือตัวรูปนามนะพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นตัวทุกคือตัวรูปนามก็มีเหตุให้เกิดนะมีตัวสมุทยัยนะนี่สอนเรื่องสมุทยัยและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นนี่คือสอนเรื่องนิโรธนะพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้ทาไมไม่สอนมัก การที่ท่านรู้ทุกจนละสมุทยัยดับสมุทยัยแจ้งนิโรธอันนั้นแหละคือมรรคงั้นสี่ประโยคเนี้ยก็คืออริย ส, สัจสีที่ย่อที่สุดเลยพระสารีบุตรฟังปุ๊บเนี่ยได้โสดาแล้วพวกเราฟังเราก็งั้นๆน่ะฟังบ่อยๆบารมีเราไม่เท่าท่านพระโมคคลาฟังก็ฟังจากพระสารีบุตรอีกต่อ <Yeah. S 1> ก็บรรลุ ศา ส, สนาพุทธเนี่ยแจมแจ้งในตัวเองนะงดงามอยู่ในตัวเองมีเหตุมีผลสมบูรณ์สมบูรณ์พร้อมด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้เราโ้พระณีตมากไม่มีอะไรที่งมงายสักนิดไม่ต้องสอนให้เชื่อสอนวิธีปฏิบัติแล้วเราเห็นผลด้วยตัวของเราเองนะวิธีปฏิบัติทำไม่ยากอะไรนะไม่ได้เริ่มจากความเชื่อ ท่านบอกว่าสวักขาโตพระขวะตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเห็นตามได้อากาลิโกไม่จํากัดเวลาคือความจริงที่เป็นสัจธรรมนั้นไม่แ ป, ปรปลวนไปตามเวลากี่ปีกี่ชาตินั้นก็ยังเป็นความจริงอย่างนั้นสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดู ให้มาลองดูทําอันนี้ไม่ได้บอกให้เชื่อนะให้มาลองวิธีลองนะโอปันะยิโกนะ้น้อมกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเองโ อ, โอปันะยิโกนะ้เนี่ยพึงน้อมกลับเข้ามาถ้าน้อมเข้ามาแล้วก็จะเกิดปัจจิตตังเวทที่ตโพวินยุชชนจะรู้ด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครบอกเลยว่าศาสนาพุทธดีหรือไม่ดีเพราะความทุกข์ก็เด็นออกไปจากใจต่อหน้าต่อตามันจะไม่ดีได้ยังไงนะ เคยตกเป็นธาตุของกิเลสมาแต่ไหนแต่ไรนะกิเลสกระเด็นออกไปจากใจเราไม่กลับเข้ามาอีกมันไม่ดีได้ยังไงไม่มีใครเหมือนเป็นรัธิเป็นคำสอนซึ่งท่านบอกไม่มีอะไรต้านทานได้ตัวอริยสัจ ต, ตัวธรรมจักเนี่ยเมื่อกลงล้อแห่งธรรมหมุนไปแล้วไม่มีใครต้านทานได้แล้วก็ท่านก็บอกไปเรียบร้อยเลยนะคนที่จะทำลายพระสัธรรมของท่านก็คือสาวกของท่าน ที่ไม่เรียนให้ดีดินน้ําไฟลมมาทําลายธรรมะไม่ได้น้ําท่วมไม่ได้ทําให้ธรรมะหายไปเมื่อไหร่ละ่ะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดไม่ได้ทําให้ธรรมะหายไปแต่พวกเราชาวพุทธที่ไม่สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมพวกนี้แหละทรงธรรมะไว้ไม่ได้มันจะเพี้ยนจะเกิดความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนออกไปจากคําสอนของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเลยอย่างในบ้านเมืองเราเนี่ยคาสอนที่เพี้ยนเพียนเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะ อย่างความเชื่อโดยทั่วไปของเราเนี่ยเราเชื่อว่าตายแล้วนะจิตเราออกจากร่างไปเกิดใหม่นี่มิฉาทิฏฐินะในความเป็นจริงจิตเกิดดับอยู่ทุกขณะนะอย่างรวดเร็วเลยนะไม่ใช่จิตเป็นอมตะทฤษฎีที่ตายแล้วจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่นะมันเป็นทฤษฎีของฮินดูนะไม่ใช่ของชาวพุทธหรอกเ้ธรรมะอย่างนี้ที่เพียนเพียนเนีเยอะแยะเลยนะหลวงพ่อนั่งดูนั่งฟังแล้วสลดสังเวชนะอ สกัมันยากนะมันเยอะเหลือเกินใะอ้ลัทธิเพี้ยนเพียนนะเลยสอนว่าไม่ต้องปฏิบัติหรอกจิตมันเป็นธรรมชาติที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องปฏิบัติทำหรอกถ้าจิตมันดีอยู่แล้วมันมาเกิดได้ยังไงอ่ะนะเพราะมันเร็วน่ะสิมันมีอวิชชาอยู่จิตพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตนั้นโดยธรรมชาตินะธรรมชาติเดิมนะมันผ่องใสผ่องใสไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์คนละเรื่องกันนะของใสคือตรงกับคำว่าประพัดสอน ไม่ใช่คําว่าบริสุทธิ์นี่พระชาวพุทธมักง่ายเรียนก็คือจิตมันบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรหรอกนะไม่ต้องมีศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องไม่ยึดถืออะไรสักอย่างไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรเลยเรียกอักตริยนะทิฏฐิไม่มีการกระทำนะไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวเป็นนัตติกะทิฏฐิเป็นวิชาทิฏฐิน า, นานาชนิดเลยนะัมันแฝงมาอยู่ในาศาสนาพุทธนี่แหละ แล้วคนที่มาประกาศมักจะเป็นนักบวชด้วยสิงั้นะนะพวกเราชาวพุทธถ้าไม่เรียนให้ดีนะเรากลายเป็นลูกศิษย์ของเดียร์ ถ, ถีงั้นะนะระวังตัวนะพยายามศึกษาให้ดนะีไม่ใช่อยู่ๆว่าจิต ด, ดีอยู่แล้วจิตมีกิเลสอยู่ต่างหากนะต้องมาฟอกจิตนะต้องมาเรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพื่อสู้กับกิเลสศีลนั้ น, ะ ส, นนะสู้กิเลสอย่างต่ําอย่างหยาบ สมาธิสู้กิเลส ช, ชั้นกลางคือพวกนิวร น, นะปัญญาสู้กิเลสละเอียดคือความโง่คือตัววิชานะจะต้องมีคู่ชกของมันนะอย่าเอาปัญญาไปสู้กิเลสหยาบสู้ไม่ทันหรอกสู้ไม่ได้เหมือนเหมือนเอาสัญญาแพทย์ไปชคมวยนะปัญญามันละเอียดนั้นสู้กับกิเลสหยาบไม่ได้ก็ต้องเอาของหยาบไปสู้ด้วยเอาศีลไปสู้ด้วยนะกิเลสอย่างกลางคืนนอนิวรเป็นความฟุ้งของจิตทั้งหมดเลย ใช้สมาธิไปสู้กนะิเลสอย่างสูงคือตัวโมหะตัววิชาที่ใช้ปัญญาไปสู้เห็นไหมเรามีคู่ชกนะงั้นไม่มีบังเอิญสักอย่างเลยในคําสอนของพระ เ, เจ้านะสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัฏฐาด้วยพ ย, ยัญชนะอัฏฐาคือด้วยเนื้อหาด้วยพ ย, ยัญชนะคือด้วยภาษานะชัดเจนอยู่ในตัวเองไม่มีมั่วท่านตั้งใจเรียนนะพวกมาเข้าคอร์ส ยากก็ต้องเรียนถ้าปรารถนาความพ้นทุกข์ถ้าปรารถนาจะไปโผลมาโลกก็ไม่ต้องมาเรียนกับหลวงพ่อก็ได้ง่ายหมูหมูมากเลย7ขวบหลวงพ่อก็ทําเป็นละนั่งสมาธิให้ใจสงบไปสว่างสบายเนาะง่ายจะตายงั้นพวกเราฝึกนะเรียนให้รู้เรื่องรักษาศีลห้าไว้สรุปเลยนะรักษาศีลห้า ถ้าเราไม่มีศีลจิตเราจะฟุ้งซ่านฉนั้นต้องมีศีลห้าไว้ก่อนคนไม่มีศีลจิตฟุ้งซ่านยิงคิดจะฆ่าเขาคิดจะขโมยเขาคิดจะเป็นชู้เขาคิดจะโกหกเขาจิตฟุ้งซ่านแน่นอนฉะนั้นมีศีลไว้นะไกายวาจาก็เรียบร้อยแล้วก็เอื้ออำนวยที่ให้จิตสงบให้เกิดสมาธิสมาธิมีสองระดับเราต้องฝึกให้ได้ทั้งสองระดับสมาธิสงบเพื่อพักผ่อน นะให้จิตอยู่ในอารมณ์เนเดียวเช่นเราถือศีลมาดีแล้วเราคิดถึงแต่ว่าเรารักษาศีลมันดีแล้วไม่ดังพร้อยเลยอิโมอิมใจเพระอิโมอิ่มใจสมาธิเกิดเลยสมาธิเกิดจากความสุขนะเราคิดถึงการทําทานเราเคยทําทานมาพอนึกถึงแล้วมันอิโมอิมใจขึ้นมาสมาธิเกิดเลยนะไม่ยากอะไรนะคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วอิโมอิมใจขึ้นมาสมาธิก็เกิดไหม ความสุขมาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพนะาใจสงบแล้วอย่าสงบอยู่เฉยนะมาพัฒนาสมาธิชนิดที่สองมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่จิตสงบอย่างเดียวจิตสงบนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะจิตตั้งมั่นก็มีมาก่อนการตรัสรู้นะใช่ไหมมีมาก่อนไหมก่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไห มีสิไม่งั้นเจ้าชายศีทธัตถะจะตัดสรู้ได้ไงถ้าจิตไม่ตั้งมั่นชา้าชายศีทธัตถะเลยจิตตั้งมั่นขึ้นมานะ mm hmm. แล้วดูรูปนามที่ทํางานเป็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทในปฏิจจสมุ ป, ปบ า, ปปปบาทคือรู ป, ปรนามทั้งนั้นเลยท่านเห็นเลยรูปนามทั้งหลายนี่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ยงั้นท่านบรรลุโดยการเห็นอนัตตานะภูมิธรรมของท่านเต็มภูมิดูปฏิจจสมุปบาทนะ เห็นถึงความเป็นอนัตตาเลยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุลองดูนะลองดูหลวงพ่อก็พูดอย่างนี้แหละว่าลองดูนะเอหิปัสสิโกเพึ่งกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดถ้าไม่ลองก็ไมรู้จะทำไงช่วยไม่ได้แลอ้อาวต่อไปส่งกันบ้านเชิญกานิทรรการหลวงพ่อค่ะ ก็ยังพยายามท่องพุทโธโดยใช้แบบท่องไปเรื่อยๆทั้งวันก็รู้สึกว่ามันมีสติดีขึ้นที่แรกก็มันก็จะจะรู้สึกเกรงๆเหมือนกันช่วงหลังก็คุ้นๆนิดหน่อยอแต่เวลานั่งสมาธิยังเหมือนนั่งยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแม่นบางทีก็ดูลมหายใจบวกด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแต่เวลาเดินจงกรมก็ใช้ภาวนาให้จิตมันสงบไปนะจิต สงบแล้วก็มาฝึกจิตตั้งมั่นค่ะแล้วเวลาเห็นที่จริงใจก็อยากจะเห็นแสงแสงอะไรก็ไม่เห็นใช่แสงอย่าไปดูช่วงหลังก็เลยบอกว่าไม่ดูมันละไม่เห็นมีอะไรเลยแสยหลงก็รู้ไปอย่างเดียวอยากเห็นแสงนะมีวิธีนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงอย่างรวดเร็วนะเอาโคมไฟมาหนึ่งเปิดก็นั่งแป๊บเดียวพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะ บางที่เขาฝึกกันอย่างนั้นจริงๆเลยไฟมาเปิดนะมันก็สว่างอยู่แล้วใจมันไปจับเอาแสงสว่างเข้านะมันก็ได้สมาธิฟังเทพหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าจะต้องสว่างสว่างเราก็ไม่สว่างสักทีสว่างในความรู้สึกนะไม่ใช่แสงงั้นกลางคืนก็สว่างใจเราสว่างแต่ไม่ใช่แสงก็พยายามทาทุกวันสว่างนั้นเื่อตัวปัญญาจะทาทุกคืนแล้วก็กลางวันก็ ทำได้บ้างครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฝงนัดก็ฟรุงเยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันปรุงปรุงนู้นปรุงนี้ตลอดอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเวลารู้มันรู้อยู่แค่ผิวผิวอะค่ะให้ไปดูใจที่ไม่ชอบไปใจที่หงุดหงิดลาคานว่าภาวนาไม่ได้ดีเวลาจะภาวนาก็ขี้เกียจหน่อยเภาวนาแล้วมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใจก็หงุดหงิดไปรู้ทันเอาค่ะขอบคุณค่ะ ขยันนะขยันทำเรื่อยๆค่ะก็โยมได้เอาหนังสือและซีดีห<อ>ลวงพ่อไปให้แม่ชีแล้วเขาก็ปฏิบัติดีเขาก็เลยฝากกราบเรียนว่าขอให้หลวงพ่อรักษาธาตุขันจะได้ช่วยเหลือพวกเราต่อไปนานๆพวกเราต้องช่วยตัวเองนะหลวงพ่อช่วยทุกคนไม่ไหวหรอกทีนี้ของโยมเนี่ยโยมไม่ ม, มีปัญหารหรอกมีปัญหาในการภาวนาค่ะไม่มีปัญหารหรอก ขยันภาวนาดูไปเรื่อยขันแยกไปนะกายส่วนกายจิตส่วนจิตแยกกันไปกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตก็แยกกันไปนะถัดจากนั้นก็ดูมันทํางานไปเท่านั้นเองเห็นร่างกายมันทํางานไม่ใช่เราทํางานเห็นความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นความปรุงดีปรุงชั่วมก็ทํางานของมันไปไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยไหนเราที่ภาวน า, าที่ภาวนามา คือมันมันติดเพ่งจนต้องไปกายภาพนะคะหลวงพ่อต้องอะไรนะติดเพ่งจนปวดเกรงแล้วก็ไปกายภาพต้องสมทบค่อยคลายออกแล้วล่ะค่ะมันเกรงขึ้นมาเพราะว่าโลภค่ะเท่านั้นเองรู้ต้นต่อของมันนะเนี่ยเราลงมือปฏิบัติเราทำด้วยความโลภ จ, จ้องเอาจ้องเอาเกรงให้รู้ทันตามสบายสบายแล้วแล้วถ้าเผื่อโยมจะใช้วิหารธรรม หายใจเข้าภาวนาว่าจงเป็นสุขเถิดได้หายใจออกจงพ้นทุกข์งนี้ค่ะเอออะไรก็ได้นะทำไปทำให้มันสบายค่ะที่ทำอยู่เนี่ยใช้ได้แล้วละ่ะค่ะปฏิบัติการรู้สึกไหมไม่เหมือนเดิมค่ะโอ้แล้วยังจะมีปัญหาอะไร <laughs> ยังไม่เคยส่งกันบ้านเลยค่ะดีที่ภาวนานะถูกแล้วค่ะ แต่ต่อไปพอจิตจะสงบนะจะรู้สึกเลยคำบริกรรมพวกนั้นเป็นส่วนเกินนะจิตมันสงบมันจะเกินละก็ะทิ้งมันไปนะส่งกันบ้านครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็เมื่อกี้ที่ท่านพูดนะคะว่าคือถ้าไม่ไมบริกรรมอะคะ่ะคือตั้งแต่ต้นที่เคยเคยทำมาตั้งแต่ตอนอายุ20่สตอนนี้37เ็แล้วะคะ่ะคือคือไม่ชอบคำบริกรรมเลยอะคะ่ะแล้วก็ ไม่ไม่ใช้อ่ะคะ่ะทีนี้มันรู้สึกดีทีนี้ตอนนี้เนี่ยที่มันดีที่สุดคือเวลาฟังธรรมะของหลวงพอะะ่อค่ะแล้วมันจะเห็นชัดมากเช่นมีความอยากเกิดขึ้นเนี่ยมันจะจับปุ๊บแล้วปล่อยเลยอ่ะคะ่ะแต่พอพยายามทำในรูปแบบมันจะเพ่งมากแล้วก็วกเครียดอ่ะคะ่ะก็เลยจะถามว่าถ้าทําอะไรแล้วเราดีเนี่ยทำไปเลยไหมคะหรือว่าต้องมีรูปแบบบ้างถึงแม้ว่าเราจะเครียดอ่ะค่ะพอฟังซีดีก็เป็นรูปแบบเนาะ ตั้งใจฟังไปคือให้มันมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปฟังซีดีมันก็เหมือนบริกรรมนั่นแหละแต่แทนที่จะบริกรรมเองก็มาฟังหลวงพ่อบริกรรมแทนเน <c oughs> ใจมันหนีไปแล้วรู้ทันอย่างนั้นก็พอได้อยู่นะแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่าไปฟังให้รู้เอาของจริงเอาเกิดเวลาเราใกล้จะตายไฟฟ้าดับไม่มีเสียงจะฟังแล้วทําไงอ่ะอหลวงพ่อคําถามสุดท้ายคือ ในในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตัวที่เป็นตัวหัวใจตัวผู้ร้ายจริงๆเนี่ยสำหรับเรานะคะสำหรับมนุษย์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยคือตัวอุปทา น, นะปะคะไม่ใช่หรอกผู้ร้ายหัวโจก็คือตัววิชา <c oughs> ไม่มีอวิชาก็ไม่มีตัณหาอุปทานทําไมมันอยากอุปทานคืออะไรนะอุปทานเป็นความยึดทําไมมันยึดว่ามันอยากในความเป็นจริงแล้วองค์ธรรมเป็นตัวเดียวกันระหว่างตัณหากับอุปทานนะคือตัวโลภะ โลภะเจตสิกคือตัวเดียวกันเลยพแต่มันมีแรงมากเทานั้นก็กลายเป็นอุปาทานถ้าแรงมันอ่อนลงมาก็เป็นตัวตันหานะทําไมมันต้องมีความอยากความอยากนานาชนิดนะถ้าย่อลงมานะก็คืออยากมีความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์อย่างอยากไปดูหนังฟังเพลงจริงก็อยากมีความสุขนะคลุ้มใจขึ้นมาไปกินเหล้าอยากกินเหล้าขึา้นมานะเพราะคลุ้มใจจริงก็อยากหนีความทุกข์นะ ย่อลงมาแล้วที่ความอยากเราก็คืออยากสุขอยากหนีทุกข์อยากได้ความสุขทําไมต้องอยากหนีทุกข์อยากได้ความสุขเพราะมันมีตัวเรามันมีเราขึ้นมานะมันอยากให้เราเป็นสุขอยากให้เราพ้นทุกข์มันมีเราไหมจริงความจริงไม่มีนะความไม่รู้ทนะ่างหากเลยคิดว่าธาตุขันนี้เป็นตัวเราขึ้นมางั้นถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแจ้งนะว่าตัวธาตุขันนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะ จิตปลวางความยึดถือในธาตุขันได้เพราะเห็นแจ้งในกองทุกข์ว่าธาตุขันนี้เป็นทุกข์จริงๆนี่เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะมันจะละสมูทยัยอัตโนมัติเละตันหาอัตโนมัติไม่มีหรอกตันหาอุปาทานไม่ต้องมานั่งละทีละคราวทีละคราวนะจะไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยละทีเดียวแล้วเลิกเลยนะเพราะงั้นถ้าจะละให้เด็ดขาดต้องละที่อวิชาถ้าละชั่วครั้งชั่วคราวก็ไปละเอาที่ตันหาอุปาทานนั่น นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนอย่างนี้ค่ะไม่ได้ส่งการบ้านมาประมาณเก้าเดือนแล้วค่ะเอ้วที่ผ่านมาช่วงใหญ่ๆนี้มันมีเรื่องที่ทาให้ทุกข์ใจอยู่มากค่ะแล้วทีนี้เปิดที่อะไรใจมันก็จะเข้าไปอยู่ในโลกของการปรุงแต่งเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ซึ่งมั น, มนห้ามไม่ได้นะค่ะเราไปห้ามมันมันก็ไม่ฟังหรอกแต่มันไม่ทุกข์ตลอดไปหรอกหนูอย่าไปกังบนเลยไม่มีหรอกความทุกข์สาบอนนะ ความทุกข์มันก็อยู่ชั่วคราวถึงวันหนึ่งมันก็ผ่านไปใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ไปแล้วก็พอดีมีวันนึ่งค่ะหนูสังเกตว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าใจมันมีความอยากที่จะเข้าไปยึดการปรแต่งนี้อยู่ใช่แล้วหนูไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมทั้งดัที่มันเห็นว่ายึดเมื่อไหร่ก็ถูกแล้วทําไมทําไมมันยังถึงเขาไปยึดอยู่อะค่ะอ้าวมันยังไม่รู้จริงนะมันยังคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะ แล้วมันก็คิดว่าถ้าเรายึดเราก็ทุกข์นะเพราะงั้นเราเราอยากจะไม่ยึดอย่างเงี้ยยังพอนาไม่พอหรอกถ้าพอนาพอนะใจไม่ยึดถือในในสิ่งแรกเลยที่ไม่ยึดนะไม่ยึดจิตนะเขาไม่ยึดจิตทันเดียวเขาไม่ยึดกายเขไม่ยึดอะไรในโลกอีกนะถ้ายังยึดอยู่ที่จิตยังมีตัวเราอยู่นะยึดอยู่อยากให้มันมีความสุขหนูรู้สึกไหมหนูยังอยากได้ความสุขรู้สึกไหมเออแล้วเห็นไ้ม เพราะงั้นยางยึดอยู่นะมันถึงอยากได้ความสุขเพราะมันมีตัวเราเราอยากมีความสุขงั้นใจเรายังยังยึดอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ยึดหรอกทั้งๆ้ที่ทุกนั่นแหละก็ยังอยากให้หายทุกเพราะเราไม่รู้ความจริงของชีวิตว่าชีวิตนี่คือตัวทุกนะงั้นเรายังไม่รู้ความจริงของชีวิตเราอยากให้มันหายเราไปอยากในสิ่งซึ่งไม่มีวันมีคือเราอยากได้ความสุขในโลกมันไม่มีหรอก มันมีสำหรับคนหลงคนที่มีสติปัญญาแก่รอบจริงๆเรารู้ว่าโลกนี้ทุกเพราะงั้นเขาจะไม่สแสวงหาความสุขในโลกนี้เพราะไม่มีชวนใจหนูยังหาอยู่รู้สึกไหมหนูท่องคาถาของหลวงพ่อไว้นะไม่นานมันก็ผ่านไปท่องไหมค่ะใจเราสงบลงมาแล้วก็ค่อยมาเจริญสติเจริญปัญญาใหม่ตอนนี้ใจเราไม่มีสมาธิพอ เจริญตัญญาไม่ได้จริงหรอกเพราะมันทุกข์มากแล้วเอเวลามันทุกกันมากค่ะหลวงพ่อมันไม่ค่อยยอมมันดูแต่ว่ามันจะหนีทุกข์นั่นแหละมันรู้แล้วเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดวิ่งไปหาสิ่งอื่นภายนอกมาเพื่อจะดับทุกข์นี่ยมันจะไม่หายทุกข์จริงๆแต่ว่าอืมันทนไม่ได้ค่ะมันทนดูต่อไปไม่ได้นมันก็หนีไปแล้วคนในโลกก็หนีอย่างนั้นแหละเขาไม่กล้าหันมาเผชิญกับความทุกข์ พระพุทธเจ้านะอัศจรรย์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกเป็นนักปรักคนเดียวละมั่งที่สอนให้รู้ทุกนอกนั้นมีแต่พาหนีทุกทั้งนั้นเลยคือมันมันรู้อยู่เหมือนกันค่าว่าถ้าเกิดเอรู้ว่าทางดับทุกมันก็ไม่อยู่เกินกายใจนีออกไปอะค่ะแต่ว่ามันเหมือนมันทำไม่ได้หรอกมันทําไม่ได้นะเพราะว่าสมาธิเราไม่มีแล้วตอนนี้ใจเราเศร้าหมองใจเราฟุ้งซ่าน หนูสังเกตไหมเรื่องที่ทำให้เราทุกข์นะเรายิ่งคิดถึงบ่อยเราอยากลืมแต่เรายิ่งคิดรู้สึกไหมเพราะในความเป็นจริงจิตเป็นอนัตตาเราสั่งจิตไม่ได้ว่าอย่าไปคิดเลยจิตจะคิดแล้วก็หนูทำในรูปแบบสม่าเสมอคะ่ะหลวงพอ่อแต่ว่าก็ทราบว่าจิตมันไม่มีกำลังอ ะ, ะไม่มีแรงนะหนูท่องคาถาไปก่อนไม่นานมันก็ผ่านไปไปท่องคาถาบริกรร ม, มอย่างนี้แหละ นะพอมันมีแรงแล้วค่อยมาทําต่อ <c oughs> เพราะงัน้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติตั้งแต่ก่อนจะทุกข์นะถ้าทุกข์หนักอยู่แล้วเนี่ยภาวนาไม่ไหวหมันเหมือนเราหัดว่ายน้ําต้องหัดว่ายน้ําก่อนจะตกน้ำต้องว่ายน้ําให้เป็นก่อนเดี๋ยวเรือล่มเลยจะได้ว่ายได้ถ้าเรือล่มแล้วมาหัดว่ายน้ําเนี่ยไม่ทันอย่าตอนนี้ความทุกข์เข้าถึงตัวเราแล้วนะเราจะมาฝึกกรรมฐ า, านให้พ้นทุกข์อะไรเงี้ยเราไม่มีแรงพอละ นะแต่ว่าความทุกข์ก็ไม่ใช่ของถาวรไม่นานเขาก็ผ่านไปไม่มีหรอกคนที่ทุกข์ตลอดกาลนะ่ะไม่มีหรอกขอบพระคุณค่ะกลับน้ำพิธการครับอยู่ไหน<อ>ยกมือให้หลวงพ่อเห็นเอครับช่วงนี้จิตมันฟุ้งมากครับพอฟุ้งแ ล, ล้วรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะหลงสอนตัวเองตลอดเลยครับมันทําอะไรนะหลงไปสอนตัวเองตลอดเหมือนนึกถึงธรรมะที่เคยอ่านมาผ่านมาเรื่อยๆแล้วมันสอนดีไหม ดีบ้างไม่ดีบ้างเอ้ยไม่ดีก็อย่าไปเชื่อมันนะแล้วอย่างนี้ไม่ทราบว่าต้องทํำยังไงครับคือต้องให้ใจสงบกว่านี้หน่อยใจฟุ้งสั้นไปนะอย่างนี้ควรจะใช้วิหารธรรมอะไระครับหา เ, เอาสิจะพุโทโธหรือจะหายใจหรืออะไรก็เอาสักอย่างแล้วทให้สม่ําเสมอนะจิตมันมีกําลังแล้วมันเดินปัญญาแตอนนี้ใจมันฟุ้งล็อกแรกล็อกแรกรู้สึกไหมครับอ อ, อย่างนี้มันจเจริญปัญญาไม่ไหว นะพุโทโธก็ได้ถ้าถ้าใจมันเอานะถ้าพุโทโธแล้วื่นหัดก็ไม่เอาไปหายใจเอาหายใจแล้วอ่นหัดก็ไม่เอานะไปดูท้องฟองยุบก็ได้อะไรก็ได้หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเอานะถ้าถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันอย่างเงี้ยจิตก็จะไม่ไหลแตจิตตั้งมั่นกนะ็ไ ด, ได้ได้สมาธิขึ้นมาพอจิตใจอยู่กันเน้อก็ตัวสบายแล้วก็ดูกายดูใจเขาทํางาน การที่เรียนรู้การทํางานของกายของใจอันนั้นแหละเรียกว่าเจริญปัญญานะบางทีเราไปกลัวสับนะว่าให้ทำหํำนิพพสนาฝังแล้วนั่งกลัวที่จริงมันคือการเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่กับกับนมัสการกับหลวงพ่ออวันนี้โยมมาเข้าคอร์สปฏิบัติกับพ่อครับออืปัจจุบันโยม ในชีวิตประจําวันก็ภาวนาพุโทโธเป็นวิหารธรรมอะครับอืแล้วก็ทําตามรูปแบบจะมาถามเรื่องการทําตามรูปแบบอะครับพอดีพี่เลี้ยงบอกว่ า, าขุกกับธรรมากเกินไปแล้วก็ตามรูปแบบธรำอนาปามันก็ไปยึดมันไปเกาะกับลมหายใจทำมัมงกายมันก็ไปใช้ความคิดเจื อ, อครับให้เลิกอืให ม, ห ม, ห ม, ม่ๆบางทีก็ต้องอาศัยนะ ก็คิดว่าถ้าเลิกมันก็เลิกได้อะครับเลิกบางทีมันเลิกไปเลยเหมือนไม่ยอมทำอะไรเลยนะก็เหลือแต่เดินจงกรมกับฝดม์ไว้อะไรทำแล้วสติเกิดบ่อยพุทโธในชีวิตประจำวันนะครับพุทโธไปสิเราเอาสตินะแต่พุทโธแล้วใจไปทื่อๆซึมๆทื่อๆให้รู้ทันนะอย่าไปพุทโธแล้วใจนิ่งๆซึมๆไป ไปพุโทโธนะแล้วรู้ทันจิตนะพุโทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ได้พุโทโธให้สงบแต่พุโทโธเพื่อรู้ทันจิตจําประโยคนี้ไว้นะไม่ได้พุโทโธให้สงบแต่พุโทโธเพื่อจะรู้ทันจิต mm hmm. ถ้าอย่างนี้ใช้ได้บางทีพี่เลี้ยงก็เห็นพุโทโธแล้วไปเพ่งมั่งเขาเลยให้เลิกเราปรับนิดเดียวแหละพุโทโธแล้วรู้ทันจิตแต่ที่ที่เลิกคือทําตามรูปแบบทําอนาปานที่เอาจิตไปไว้ที่ จ, จมูกนะพามั่ยอย่างนั้นเลิกไป เขาบอกถูกแล้วอย่างนั้นนะครับอย่างนั้นมันเพ่งเอาไม่ได้รู้ทันจิตหรอกครับผมถ้ารู้ลมหายใจแล้วรู้ทันจิตนใช้ได้เอาไปเพ่งเป็นจุดๆนั้นไม่มีอะไรขึ้นมาหรอกได้สงบอย่างเดียวครับสงบซื่อบื้อนะซื่อซื่ อ, อบื้อบื อ, อยู่แค่นั้นไม่ดีหรอกครับ <F> เขาสอนถูกแล้วแล้วหัดพุดโทโธแล้วรู้ทันจิตหัดหายใจแล้วรู้ทันจิตไปบางคนก็ต้องให้ทําไปก่อน เราค่อยๆปรับเนาะบางคนให้เลิกแล้วเลิกไปเลยอ่ ะ, ะการนม้าจากการหลวงพ่อค่ะก็ส่งการบ้านในรอบสี่ปีค่ะก่อนหน้านี้ต้องไปส่งการบ้านให้คุณแม่ค่ะแต่ตอนนี้คุณแม่เสียแล้วค่ะก็กบขอบคุณหลวงพ่อมากที่เมตตาคุณแม่นะแล้วก็วันนี้ใจฟุ้งซ่านค่ะแล้วก็เหมือนกับ หลังจากที่หยุดมานานนะคะหลวงพ่อเราไปทํางานมันก็เลยต้องไปขูก่กรีกับหมู่คณะแล้วเราไม่ชอบเท่าไหร่ก็รู้ใจไปอะไรอย่างเนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้คือดูแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นมันจะไปลงที่มันบังคับไม่ได้หลวนะงพ่อดูอย่างนั้นน่ยใช้ได้ค่ะใจเรามันมีโทสะเจือเราก็รู้เอานะะมันบังคับไม่ได้หรวงแล้วก็จิตมันไม่ถึงฐานนะคะหลวงพ่อเราก็ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เพราะว่า ไม่เป็นไรนะรูปแบบไปนะไปฝึกแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วไม่ได้หนีไปไหนหรอกก็จะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบูชาหลวงพ่อสาธุนะแล้วก็ได้อุทิศบุญให้แม่ด้วยไม่มีบุญอะไรใหญ่เท่านี้นะบุญจากการภาวนาเป็นบุญใหญ่กลับขอบพระคุณค่ะคนตายก็ตายแต่ตัวนะจิตที่ก็เกิดดับสืบเนื่องไป ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเรานะมีความแน่วแน่ก็ต่อวงจรกันได้นะไม่ได้หายไปไหนหรอกนั่นเวละ เ, เราทำบุญเราทำใจให้แน่วแน่นึกถึงอุทิศ ส, ส่วนบุญให้อเชอิญกลับแล้วมาสารสการคะ่ะหลวงพ่อหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาแบบโดยตลอดอะคะ่ะแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาสนธิธรรมนะคะพอดีหนูเป็นคนที่ ฟุ้งซ่านมากค่ะในชีวิตประจําวันแล้วก็รู้สึกว่าจิตเนี่ยชอบไปยึดความทุกข์อะค่ะชอบไปคล้าคลอกับความทุกข์ตลอดเวลาชอบคิดอะไรที่แบบเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแล้วก็ทําให้เราแบบทุกข์ยอะไรเงี้ยอืหนู <laughs> ก็รู้นะคะว่าติดที่จะเป็นอย่างนี้จะท่านมัน <ทำ S 2> ห้ า, มาไม่ได้นะมันห้ามไม่ได้จิตเป็นเคยชินมันมีอนุใสขี้โมโหอ ย, อยู่เนี่ยเคยเวียนไปปรุงโทสะขึ้นมา ปงความทุกข์ในจิตขึ้นมาห้ามมันไม่ได้ค่ะแล้วก็ปรุงตลอดพอปรุงเสร็จแล้วเราถึงจะรู้ว่าอุ๊ยปรุงเสร็จแล้วอย่างเงี้ยไม่ว่านะเราไม่ได้พาวนาเพื่อไม่ให้มันปรุงนะแต่พาวนาเพื่อให้เห็นว่าไม่ว่ามันปรุงอะไรมันก็ชั่วคราวไปหมดอ่ะมันปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงกุศลอกุศลก็มีแต่ของชั่วคราดจิตมีธรรมชาติปรุงแต่งไม่ใช่ฝึกให้มันไม่ปรุงแต่ถ้าปรุงแล้วเรารู้เท่าทันนะจิตใจก็เป็นอิสระออกมา แต่ก่อนวันในหนึ่งในหนึ่งวันนี้คือจะไม่รู้สึกเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกบ้างแล้วอะคะออ่ะว่าแบบเป็นว่าว่าเราปรุงะะอะไรอย่าบบเงเงี้ยค่ะที่นี้อยากจะมาถามหลวงพ่อะค่ะว่าจะใช้ของสาหรับหนูจะใช้วิหารธรรมอะไรอะคะในการที่แบบช่างคิดหรือเปล่าละ่ะคิดมากค่ะเออนะช่างคิดก็ดูใจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดูไปเลยความรู้สึกทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะ ความรู้สึกทั้งหลายนะั้นบังคับมันไม่ได้ไม่ได้ฝึกบังคับนะฝึกเห็นเลยมันบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาอะไรอเงี้ยค่ะเหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานพอดีทํางานไปแล้วก็รู้สึกเครียดก็รู้ว่าเครียดนะคะแต่มันก็ยังเครียดอยู่เครีย ด, ดทั้งวันเพราะเหตุของมันยังอยู่ยังเหตุของมันคือเราทํางานยังไม่เสร็จอะไรอย่าเงี้ยนะจับใดที่เหตุยังอยู่นะตัวตัวปัญหานั้นก็ยังอยู่แต่พอเรา ปล่อยความเครียดนั้นไปแล้วเราก็จะสุขสบายช่วงนั้นไปเลยเอะค่ะสบายก็ชั่วคราวเราสั่งจิตให้สบายก็ไม่ได้มันมีเหตุก็คือเราปล่อยเรื่องเครียดๆไปเดี๋ยวถ้าไปหยิบมาใหม่ก็เครียดใหม่มีแต่ของบังคับไม่ได้เท่านั้นเลยก็เหมือนกับว่าต้องตามรู้สภาวะในใช่ตามรู้สภาวะไปจนจิตยอมรับความจริงทุกวันนี้ที่เรามีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเพราะจิตไม่ยอมรับความจรงิง อย่างเราต้องแก่เนี่ยเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์เราต้องเจ็บเราต้องตายเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์เราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักใช่ไหมเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักถ้าเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์แต่ถ้าเราจิตมันยึดรู้ความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านมานี่เป็นของชั่วคราวหมดเลยอะไรเกิดขึ้นยอมรับได้นะไม่ทุกข์หรอกหนวงพ่อคะมีอีกคะ่ะหนูเป็นพวกหนีคะคะทุกข์อะค่ะสมมติถ้าแบบรู้ว่าเป็นทุกข์เนี่หนูก็จะจะหนีจะออไม่รับมันหนีไม่รอดหรอก ไม่มีใครหนีได้หรอกคือต้องทําใจยอมรับมันใช่ไหมคะไม่ใช่ทําใจยอมรับมันถึงยังไงก็ต้องยอมรับมันเพราะความจริงมันบีบอยู่อย่นั้นไม่ใช่ฝึกทําใจนะศา ส, สนาพุทธเนี่ยฝึกจนใจมันยอมรับความจริงไม่ให้ฝึกทําใจก็คือว่าเหมือนเราเป็นผู้ดูใช่เราปเป็นคนดูสิ่งที่เข้ามาเราป้อนข้อมูลให้จิตมันตลอดเวลาเลยมีแต่เรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาป้อนเข้าไปมันเห็นของจริงเข้าวันนึงมันต้องยอมจนได้แล ไม่ใช่เรื่องทำใจนะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาทำใจ <laughs> <laughs> กาบธรรมสการหลวงพ่อค่ะคือรู้สึกว่าเวลาพิจารณาแล้วจิตมันเห็นคือคือการพิจารณาของหนูเนี่ย พ, พอดูแล้วมันจิตมันเห็นว่าร่างกายหรือว่าจิตอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็น มันเป็นอนิจจังเห็นชัดมากเลยค่ะมันเป็นอะไรนะมันเป็นอนิจจังมันเกิดเกิดดับดับตลอดเวลานเห็นเนแล้วก็รู้สึกว่ามันอะไรในโลกนี้มันเป็นสมมุติหมดทุกอย่างเลยมันมันยึดมั่นถึงมั่นไม่ได้หนูก็คิดว่าเอ๊หนูอยากจะออกจากงานแล้วก็มาพิจารณาอะไรอย่างนี้อย่างนะอย่างคริงจริงๆที่เราเห็นอย่างนี้นะยังไม่ใช่นิพพานนะยังเจือโทสะอยู่ เรายังไม่ชอบอยู่รู้สึกไหมใจไม่ได้เป็นกลางจริงอะ่ะมันมีโทสะแฝงอยู่รู้สึกลำคาญมันมีแต่ของไม่เที่ยงดูแล้วน่าลำคานคใจไม่ได้เป็นกลางนะอย่าเพิ่ง อ, ออกจอากงานเลยค่ะนึกว่าหลวงพ่อบอกว่าต้องมีสติมากๆแล้วก็พิจารณาบ่อยๆก็เลยว่าต้องใช้เวลาในการที่จะทำงานอันนี้ต้องเราทำงานไปแล้วก็ดูของเราได้นะ อย่างต้องยุ่งกับ น, นักศึกษาความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้คนนี้ความรู้สึกงี้คุยกับอาจารย์ด้วยกันความรู้สึกอย่างนี้ดูความเปลี่ยนแปลงในใจของเราเรื่อยๆอจนกระทั่งวันหนึ่งมันปิ้งขึ้นมาเองนะสุขทุกข์ดีชั่วนเนี้ยมันเหมือนๆกันหมดของไม่เที่ยงเพราะงั้นต่อไปนี้อะไรก็ได้ถ้าอะไรก็ได้เนี่ยสมควรออกไปอยู่วัดแล้วไม่งั้นเวลาสมมติเราออกจากงานนะมาภาวนา ในใจเราไม่เป็นกลางจริงเดี๋ยวมันก็ทนไม่ได้กราบนะ้สบนำสกราบน้ำสการนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมก็ได้ธรรมะจากท่านอาจารย์มากแล้วก็คือผมก็พยายามดูจิตดูใจนะฮะแบบที่อาจารย์ท่านว่าแล้วก็ฟังซีดีท่านอาจารย์ก็มีความความเข้าใจความรู้นะครับก็มาฟังธรรมเเช้าท่านอาจารย์ก็บอกว่าให้ ทำในรูปแบบและเนื้อมะนะครับก็ผมก็จะน้อมไปปฏิบัติก็คงเข้าใจว่าท่านอาจารย์สอนให้ทำกันว่าตรงนี้ไม่ทราบทูกต้องหรือเปล่านะครับลองนะ้บารมีต่างๆเราสะสมไปเรื่อยนะมันได้ใช้เพราะว่าบารมีทุกตัวนั้นนะ่ะมันลดละละความยึดถือตัวเองทางนั้นเองนะ <Okay. S 1> ขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยอย่างบางทีทางานไปเรื่อยๆแล้วเบื่อนะ อย่ากออกจากงานเนี่ยอันนี้สนองกิเลสนะอเอถ้าดูกับข้างอะ่ะนะเรารู้ทันมันเรียนรู้อยู่กับมันนั่ น, นแหลนะะอยู่กับทุกข์นั่นแหละยังยังยังคิดเหมือนกับอยากจะออกจากงานเหมือนกันนะครับนั่นแหละนะมันหนีนั่นแหละเนเป็นอยู่ไม่ไม่ควรใช่ไหมฮะไม่ไม่ควรจะออกจากงานใช่ไหมฮะควรควรจะออกจากงานหรือเปล่าครับไม่ควรเลฮะ ต้องไปตัดสินใจเองนะครับขอบคุณท่านจักรส่งการบ้านว่าคิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็เป็นกลางมากขึ้นอืขอให้ท่านช่วยชี้แนะที่ควรทาต่อค่ะความเศร้าโศกอะไรในใจเป็นไงบ้างอืมไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีนะคอยรู้ทันสภาวะไปได้เห็นขันแยกบ่อยไหมคือไม่คิดว่าไม่ได้ เห็นไหมร่างกายสายหน้าเห็นครับนะเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราพอมอยู่ต่างหากนะเป็นแค่คนรู้สึกนี่แหละขันมันก็แยกแล้วนะแค่อย่างใจสงสัยคะเราเห็นในความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็หายไปใจเป็นคนดูในความสงสัยกระจายก็คนละอันกันนะค่อยฝึกค่อยค่สังเกตค่อยๆแยกไปเรื่อยๆที่ภาวนาก็ดีหรอกแล้ว เ, เข้าใจว่าความตั้งมั่นพอเริ่มเห็นบ้างเป็นบางครั้งแล้วค่ะถูกต้องแล้วเจ้าค่ะนะจิตตั้งมั่นแล้วต่อไปก็แยกขันเป็นะ<ะ>ขั้นตอนต่อไปขั้นแรกก็ต้องฝึกให้ได้จิตตั้งมั่นก่อนนะที่มัหลวงพ่อพบอกมีสองขั้นขั้นแรกให้จิตใจมอยู่กับเนื้อกับตัวคือจิตตั้งมั่นนั่นแหละตั้งมัน่นเราเดินปัญญาดูกายทํางานดูใจทํางานเจ้าค<ะ>่ะเป็นแค่คนดูไม่แทรกแซง อย่างร่างกายพยักหน้าเนี่ยร่างกายทํางานนะเจ้าค่ะนะพอเข้าใจบ้างแล้วค่ะนะขอบคุณเจ้าค่ะรัชการหลวงพ่อนะครับคือผมก็มาครั้งแรกนะครับแล้วก็เดิมก็ปฏิบัติเป็นอนาปานาสตินะครับก็ทำนนทำเระ่เรสติดีนะนะครับแล้วก็แต่ว่าอยากจะอยากให้หลวงพ่อชี้แนะในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติของผม ต่อไปอะครับเวลากิเลสเกิดรู้ทันไหมบางครั้งครับเวลาจิตไหลไปคิดรู้ไหม บ, บางครั้งเหมือนกันครับห อ, อ, อรูปานง น, นเราฝึกอานาปนสตินะเราคอยรู้ทันจิตมากๆเช่นหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจแล้วจิตไปไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเคยเป็นไหมจิตไปเกาะลม่สวนใหญ่ก็จะดูที่ลมแล้วก็หนีบแล้วก็ไปคิดอย่างอื่นแล้วก็นึกขึ้นได้ก็ ให้รู้ทนันเดอย่าไปห้ามมันนะคแค่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดละการที่เรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดบ่อยๆเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่บังคับไม่ใช่ห้ามคิดนะฝึกตัวนี้ให้ได้เยอะเลยให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วในช่วงระหว่างเวลาทํางานอย่างเงี้ยครับเวลาทํางานถ้าทํางานที่ใช้ความคิดเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ต้องจดจ่อกับงานสติสมาธิปัญญาไปอยู่ที่งานหมดเลย แต่ว่าทำงานไปแล้วขี้เกียจเนรู้ทันจิตที่ขี้เกียจทำงานแล้วดีได้รับคาชมช่วยใจเป็นพองขึ้นมารู้ว่าใจเป็นพองเวลาจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายอะไรนคอยรู้ทันหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยคแค่ฝึกลมหายใจอันเดียวนะถ้าชำนาญจริงๆนะทำกรรมฐานได้สารพัดเลยขอบพระคุณครับนคนสุดท้ายแล้วอยู่หน้าสุดเลย ใครฟุงสานบ้างโอ้เก่งเก่งนี้แสดงว่าดูเป็นน่าชมเชยฟุงสานถ้าตายในขณะฟุงสานไปเกิดเป็นอะไร <c oughs> ไสังเกตไมสัตว์จะฝูงใหญ่เป็นคนนะม่เกิดทีละคนนะสัตว์เกิดทีหนึ่งฝูงหนึ่งเลยเพราะว่าโมหะมันเยอะนะ น้ำมศกาลหลวงพ่อค่ะตอนที่ยกป้ายขึ้นอยากจะส่งกันบ้านแต่ตอนนี้จิตมันก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากพูดก็คือรู้สึกหนุหนจนมุมอะ่ะหนูหมดแรงแล้วก็เหนื่อยเหนืก็พักค่ะ<า>เหนื่อยก็พักนะพักอยู่กับพุทโธแต่มันไม่ยอมเอาอะไรแบบคือมันมันเอาแคปแป๊ปหนึ่งแล้วมันก็ไปเกาะอย่างอื่นแล้วมันก็เกาะไปเรื่อยๆไม่ต้องจงใจ อจงใจน้อมกลับมาอยู่กับพุทโธกับลมหายใจต้องมีวินัยกับตรงคานี้ใช่ไหมคะใช่นะไม่งั้นเราจะบอกว่าเราเจริญสติในชีวิตประจําวันแต่จริงจริตเราฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นต้อมาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมนะให้จิตมีกําลังก่อนค่ะจิตไม่มีแรงถ้าหมดแรงเลยเออหมดแรงก็มาอยู่กับพุทโธมาเติมน้ํามันก่อน <c oughs> เพราะมันจะเหมือนหลับไปเลยมาทียิ่งอยู่คนเดียวนี้เหมือนก็น จ, ะ จ, ะจะจะหลับจะลงข้างล่างหมดมเลยค่ะนะ่ารู้สึกนะเนีย่ยลงไปข้างล่างนอกจากพุทธโธแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นที่ท่านจะแนะนํำไหยคะอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งแต่ต้องเด็ดเดี๋ยวอ๋อใช่ทํากรรมฐานอย่าทิ้งเอานอนทียนนิดทีฟุ้งซ่านเพราะทีลรหนูคิดว่าหนูหนูถนัดดูจิตหนูก็เลยดูมันทํางานเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่พอกําลังไม่พอ <c oughs> หลวงพ่อนะ่ะดูจิตรวดเลย<า>ดูอยู่ได้สองปีแต่ก่อนหน้าจะมาดูจิตรวดสองปีเนี้ยทำสมถะอยู่ยี่ส<า>ิบสองปีพอผ่านไปสองปีที่ว่าดูจิตดูจิตเริ่มดูไม่ถึงจิตจริงแจิตสว่างเจ้าออกไปข้างนอกนะจิตไปกระจายอยู่ข้างนอกไม่เห็นนะ่ะ<า>ดีไปเจออาจารย์มหาบวัวท่านแก้ให้ของหนูจะมาดูจิตรวดไปไม่ได้หนูฟุง้งซ่านโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ว่าหนูโดนมันหลอกให้เปลี่ยนคำบริกรรมไปเรื่อยๆใช่ๆช่มันจะยิ่งพาให้ฟุ้งซ่านมากขึ้นให้มันเด็ดเดียวไปฝากเป็นฝากตายอยู่กับพุทธโธก็ได้ชาตินี้ทำอะไรไม่เป็นเลยก็ขอให้ได้พุทธโธถ้าใจเด็ดเดียวอย่างนี้นะมัอกแป๊บเดียวมันก็สงบนะค่ะขอบพระคุณค่ ะ, ะเชิญกลับบ้าน